จบเสียงอ่านหนังสือพุทธวิทยาตอนที่หนึ่งความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทอาจารย์พรรัตนสุวรรณอ่านโดยอริยคุณเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับผู้ร่วมจัดรมเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ทวารัตพรพิทักษ์ดรงกุญยาดาพุ่มพวงนงนุษยอดพรมจารัดพันบุตร วิไลวันคุณเพิ่มทวีรัตจิรัตกาทองจันทนาเบิกบานซอผาอลสาหุตาเจริญนัฐธาลิมปิสุขกฎชรัตคันทประโยชน์ว่าที่ร้อตรีอริทัศตพิเศษทัศลาใสวรนนภาอนันตพันพงศรติภรวัฒนาการค้าดีภาวิยาวรศักิ์สิริกุลรวมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิตทายเรื่องขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลอย่งขึ้นไปนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ